เมเกไม่ทราบว่าตอนที่กล่าวถึงคําว่าพุทธังสารานางังฆาฉามีนี่ใครมีปิติปราโมทมากนะถึงทำมังสารานางังฆาฉามีแล้วก็เกิดปีเตปราโมทสังคังสารานางังฆาฉามีแล้วมีปีติปราโมทคือถ้าผู้ใดมีปีติปราโมทเนี่ยนะก็แสดงว่ากรรมสกตาดีมากนั่นแะแต่ถ้าหากว่าคําว่ากรรมสกตาปัญญานะไม่ใช่กรรมสกตาเฉย หมายความว่ากรรมมัสกตาปัญญาดีมากหรือสัมมาทิธฐิดีแต่ถ้าก็ว่าไปตามธรรมเนียมเขาว่าภาวะก็ว่าไปชำนาญแล้วภาวะมาตั้งแต่เด็กๆถ้าอย่างนี้ก็ยานเกรดดีมากดีดี ด, ดี A B C D อะนะชัน้นเลวมากนั่นดีเหมือนกันแต่คนละดีกันอนี้ A B C D อะนะโหระดับล่างสุดเลย ก็ดีกว่าไม่พูดอะไรเลยนะคือดีกว่าไม่พูดแล้วงั้นไงอ่ะทําไมอ่ะก็ในโลกนี้นะสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยก็มีการจัดเรียงลําดับใช่ไหมเรียงลําดับคืออะไรก็คือการกุศลระดับล่างที่สุดเลยก็คือทานนกุศละทานนักุศลเขาก็มีการแบ่งการให้ทานให้แก่ใครบ้างให้กับเดรชาน ให้กับคนไม่มีศีลให้แก่คนมีศีลให้แก่คนที่ถึงมีศีลด้วยถึงไตรสารณคมด้วยที่เรียกว่าให้แก่อุบาสกอุบาสิกาหรือให้แก่สมมาเนนให้แก่พระภิกษุให้แก่ผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปติมัติปฏิบัติเพื่อโสดาปติพนจนถึงให้แก่พระสกทาคามีอนาคามีให้ถึงพระอรหันต์ให้พระปเจกผู้ทีเจ้าให้พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ถวายสังฆทานมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอดจนถึงการให้เสนาสนะเป็นทานแก่สงฆ์ที่มาจากทิศ ท, ทั้งสี่บุญที่ทำลงไปทั้งหมดนั้นเนี่ยบุญเหล่านั้นไม่ได้มากเท่าถึงไตรสารณาคมเลยไตรสารณาคมนั้นมีบุญมากมีอานิสงส์มากยิ่งกว่านั้นอีกสำหรับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจมีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐ นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งนับถือพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งนับถือพระพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งหรือมีพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามอบกายถวายชีวิตให้แก่พระรัตนตรยัยขอเป็นสิทธิศึกษาคำสอนของพระรัตนตรยัยอย่างนี้มีอนิสงส์มากกว่าการให้ทานทั้งหมดในโลกการให้ทานอย่างมากก็คือการบริจาคมหาพูดออกไป การคายมหาพูดออกไปนะพูดแบบภาษาปรมาติ์หน่อยก็คือการอาจียนสำรอกสำรอกมหาพูดออกไปเท่านั้นเองแต่การถึงไตราสรารณคมนั้นเป็นการที่มีจิตไปไปเกาะเอาไว้ในที่พึ่งที่ที่มั่นคงเนี่ยนะเพราะไม่มีอะไรจะมั่นคงดีหรือแน่นอนเหมือนกับพระรัตนตรยัยพระรัตนตรัยนั้นอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้คงที่ เรียกว่าตาทินโนเป็นผู้คงที่คงที่ทั้งในอิทธารม์และอนิธารมณ์คงที่ทั้งอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยยาณเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยพระมหากรุณาขณะเดียวกันเนี่ยความที่พระองค์เป็นผู้คงที่ประกาศถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์แล้วคําสอนที่พระองค์สอนก็เป็นคําสอนที่นําออกจากทุกอย่างที่เราสวดเมื่อกี้ใช่ไหม ธรรมโมจะเทสิโตนิยานิโกอุปสมิโกปริณิพานิโกสัมโพธคามีสุขตัปเะเวทิตโตเนี <üllt> ่ยคำสอนที Tal ่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นคำสอนที่นำออกจากทุก์เป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศเมื่อคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นคำสอนที่นำออกจากทุก์เราควรตั้งจิตเอาไว้อย่างไรกับคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อออกจากทุก เราเราเราควรตั้งอัตตสัมมาปณิทิว่าอย่างไรในช่วงหลังมาเป็นช่วงที่อันนี้เล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังนิดหนึ่งว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างสังเวชใจสังเวชใจว่าคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนสอนเพื่อสัตว์ออกจากทุกข์เนี่ยนะแต่ว่าเป็นคำสอนที่ได้รับการวิจารณ์มากที่สุดว่าเอ๊ะคำสอนของพระพุทธเจ้าดูไม่ออกจากทุกข์แล้ว เมื่อคําสอนไม่ออกจากทุกข์แล้วเราควรทํำยังไงกันก็เลยมาร่วมกันปฏิรูปนะะเรียกว่าปฏิวัติปฏิรูปกระเนีืนะก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเริ่มวิจารณ์ว่าเอ๊ะนี่ไม่ดีจริงนังไม่ถูกมั้งใช้ไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยดูไม่ออกจากทุกข์จริงทําตามไม่ได้เห็นไหมอย่างเช่นเช่นอะไรรู้ไหมเขาบอกวิสุทธิมรรคเนี่ยเอาไปปฏิบัติตามไม่ได้อนะันนี้ ว่าวิสุทธิมรรคเนี่ยโดยสับแปลว่าทางแห่งพระนิพพานทางแห่งพระนิพพานเนี่ยทาตามไม่ได้ปฏิบัติตามไม่ได้อันนี้เห็นชัดแล้วขอมาได้ยินมาบ่อยมากซึ่งแม้กระทั่งมามาเรียนมาศึกษาวิสุทธิมรรคเข้าก็ยังมีการวิจารณ์กันอีกทำได้จริงหรื อ, อ น, นะปฏิบัติได้จริงหรือถ้าถ้ากล่าวแบบนี้เนี่ยประกาศถึงอะไรประกาศถึงว่า ไม่ได้มีธรรมมังสาราานังฆะฉามิอะไรเลยและก็ไม่เชื่อจริงด้วยว่าธรรมโมจะเทสิโตนิยานิโกอุป萨มิโกปริณิพานิโกไม่เชื่อหรอกว่าและพระธรรมที่ทรงสแสดงเนี่ยเป็นธรรมเครื่องนำออกจากทุกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปริณิพานไม่เชื่อพอไม่เชื่อก็ที่มาของการทำลาย น, นะคือมันเหมือนกับอะไรนะอย่างที่เขาบอกว่า ถ้าเราจะจากสิ่งหนึ่งไปเนี่ยนะเราก็ต้องถือว่าสิ่งนั้นเลวใช่ไหยเราจรึงจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปอีกสิ่งหนึ่งนั้นผู้ที่จะจากาศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่จะจากให้สวยหรูหน่อยทําไงบอกพระธรรมนี่เลวเนี่ยนะพระธรรมนี่เลวใช้ไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงก็เลยไปหาทางเลือกใหม่ทางเลือกใหม่ที่เป็นคําสอนของไม่ใช่ไม่ใช่คําสอนของพระ ตถาคตอรหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นในการศึกษาพระธรรมเนี่ยขอมาอยากจะแนะนําว่าให้เรามั่นในสาระเอาไว้ที่สุดเนี่ยนะถึงเราจะไม่ได้ดิบได้ดีไม่ได้บรรลุมรรคผลเจริญวิปัสนาอะไรก็ไม่รู้เท่าไหร่แต่ก็ให้รู้เถอะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ดีแล้วพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นคําสอนที่นําออกจากทุกขพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีจริงตั้งอยู่บนพื้นฐานสามประการนี้ก็ถือว่า ประสบความสำเร็จในชีวิตไปครึ่งหนึ่งแล้วแต่ถ้าเมื่อใดวิจารณญาณเราวิบัติมีหลายอย่างนะที่พระพุทธเจ้าไม่รู้จริงพระธรรมไม่แน่ว่าออกจากทุกข์จริงหรือเปล่าสาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีจริงอ่ะมีอยู่หรือไอการสงสัยอย่างนี้เขาเรียกว่าเจโตขีละธรรมตะปูเตึงใจตะปูตติงใจปกติมีห้าอย่างใช่ไหมหนึ่งสงสัยในพระพุทธเจ้าสองสงสัยในพระธรรมสามสงสัยใน พระสองสี่สงสัยในสิกขาห้าทะเลาะกันอนะทะเลาะกันเองอ่ะนะคมัมเมนกันไม่ได้มองกันด้วยสายตาอันเป็นที่รักและไม่ได้มองเข้ากันไม่ได้เหมือนน้ํากับน้ํานมแต่เข้ากันได้เหมือนน้ากับน้ํามันนั่นะทีนี้โดยเฉพาะที่ที่ต้องการจะเน้นก็คือความสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระธรรมนี่สงสัยอยีกสองอย่างว่า สงสัยอย่างที่หนึ่งคือสวาขาโตภควาตาธรรมโมจริงหรือเนี่ยนะแสดงไว้จริงหรือพูดมีส่วนเหลือจริงหรือเปล่าพูดไม่จบนะเนี่ยพูดไม่หมดเนี่ยคำพูดนี้ไม่สมบูรณ์ใช้ไม่ได้ในอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือปฏิบัติตามนั้นแล้วไม่ได้ให้คุณจริงอะไรก็เลยปฏิเสธคำสอนขึน้นผู้ที่กล่าวเช่นนั้นก็คือจะมีอะไรนอกจากเขาหันหลังกลับให้แก คำสอนหันหลังกลับให้แก่คำสอนเขาก็คือคนนอกเนี่ยนะเขาก็คือคนนอกธรรมวินัยนี้คือคนนอกาศาสนาของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากว่าเป็นคนนอกพระพุทธเจ้าบอกว่าทมที่จะทำให้พ้นทุกเนี่ยนะมีอยู่ในธรรมวินัยเดียวที่จะทำให้บรรลุโสดาปติพลเป็นต้นมีอยู่ในธรรมวินัยของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียว เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะตอนที่เราเรียนเราศึกษาปัญญาของเราเนี่ยเข้าไม่ถึงตั้งหลายสิบเรื่องถามว่าเมื่อปัญญาเราเข้าไม่ถึงเราไม่เข้าใจในสิ่งนั้นเราจะบอกว่าสิ่งนั้นเลวได้ไหมดีไหมสิ่งที่เราเอื้อมไม่ถึงเราจะบอกว่าสิ่งนั้นเลวใช่ไม่ได้นะเราก็ต้องบอกว่าสิ่งนั้นอะ่ะดีแต่ข้าพเจ้ายังยังเข้าไม่ถึงการศึกษาเรื่องวิปัสสนาก็ลักษณะเดียวกัน หลายหายคนพออ่านวิสุทธิมรรคก็เริ่มวิจารแแหละ่ะนะเขามายังแปลกใจว่าโอ้โหทำบุญมาเท่าไหร่หนอสะสมปัญญามาแค่ไหนจึงกล้าวิจารณวิสุทธิมรรคว่าผิดเนี่ยนะจึงกล่าวิจารณว่าคําสอนนี้สอนไม่ดีนําออกจากทุกไม่ได้ทําบุญอะไรมาหนอทําไมจึงเก่งขนาดนั้นนะี่คือคือทําไมกล้าขนาดนั้นอ่ะนะกล้ามากที่เป็นเด็กจันทานคนหนึ่งมาวิจารณ์พระราชาต่อนหน้าพระพักหนังั้นะ จะมีอะไรนอกจากคอขาดฉันใดผู้ที่มิถิผู้ปฏิเสธสัมมาสังกปะจะมีอะไรนอกจากมิจฉาสังกปะผู้ปฏิเสธสัมมาวาจาจะมีอะไรนอกจากมิจฉาวาจาปฏิเสธมรอกองค์อื่นๆก็ในยะเดียวกันถ้าผู้ใดปฏิเสธสัมมามร์เท่ากับผู้นั้นยอมรับมิจฉ า, าโอ้หทำบุญมาเท่าไหร่เนอะขาดความรู้ขาดความเข้าใจในคําสอนก็ลักษณะเดียวกัน อันเขาไม่รู้หรอกว่าเขากำลังประทุษร้ายตัวเองปานใดเนี่ยนะเขาเขาทำลายตัวเองจริงๆเพราะว่าผู้ที่ปฏิเสธสัมมาทิฏฐิจะมีอะไรนอกจากมิจฉาทิฏฐิผู้ปฏิเสธสัมมาสังกัปปะจะมีอะไรนอกจากมิจฉาสังกัปปะผู้ปฏิเสธสัมมาวาจาจะมีอะไรนอกจากมิจฉาวาจาปฏิเสธมัชองค์อื่นๆก็ในยะเดียวกันถ้าผู้ใดปฏิเสธสัมมามัชเท่ากับผู้นั้นยอมรับมิจฉามัช ใชถ้าปฏิเสธสัมมาตานิยามเท่ากับยอมรับมิชตานิยามถ้าปฏิเสธความถูกต้องก็เท่ากับยอมรับความผิดอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเลยยอมรับความความผิดเรียกว่ามิชตะความดิ่งลงที่ผิดพลาดอย่างแน่นอนฉันใดก็ดีผู้ที่ปฏิเสธทิฏฐิวิสุทธิผู้นั้นก็เท่ากับปฏิเสธสัมมาทิฏฐิ เทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นต้นเป็นชื่อของสัมมาทิฏฐิเพราะสัมมาทิฏฐิเนี่ยมาแบ่งระดับกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิทิฏฐิวิสุทธิกับกังขาวิตรณวิสุทธินั่นแหละคือกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิมคามาัคคายานัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยพวกนี้เป็นวิปัสนาสัมมาทิฏฐิถ้าปฏิเสธสัมมาทิฏฐิเหล่านี้ก็เท่ากับยอมรับ มิจฉาทิฏฐิเหมือนกับว่าถ้าปฏิเสธแสงสว่างก็เท่ากับยินดีในความมืดนะนั้นของเราที่ศึกษาก็ให้ตั้งอัตตะสัมมาปณิทิให้ดีลานนี้เป็นลานค้าบุญค้าบาปนะลานค้ามิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมันของผู้ใดก็แล้วสมบัติของผู้นั้นตลอดไปคำว่าเพราะว่าบุญบาปเป็นเรื่องเฉพาะตัวแล้วแก่แล้วเนี่ย คือบุญบาปนี่เป็นเรื่องเฉพาะตัวว่าผู้ใดสั่งสมอะไรไปก็จะเป็นของผู้นั้นตลอดไปถ้าหากว่าเราศึกษาสมมุตินะพูดถึงชาตินี้ถ้าไม่ได้บรรลุมรรคผลเนี่ยเราจะขอสั่งสมอะไรไปข้างหน้าสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตในวัตะมีอยู่สองอย่างพระไตรปิฎกอัตถกถาท่านบอกเลยว่าบุ ญ, ญญาณสัมภาระจะต้องสั่งสมสบีอย่างสองตัวนี้ให้พอคือบุญและญาณบุญอย่างเดียวไม่พอ ยานอย่างเดียวก็ไม่พอจะต้องสองอย่างนี้สัมพันธ์กันจริงๆเนี่ยบุญเนี่ยปัญญาก็อยู่ร่วมกับยานอยู่แล้วใช่ไหมบุญนี่ก็อยู่ร่วมกับยานแต่ทําไมจึงเพิ่มยานเข้ามาอีกเพราะอะไรเพราะว่าสัมมาทิฏฐินี้มีอุปการะมากเนี่ยนะสัมมาทิฏฐินี้มีคุณมากเราเอาอะไรหนอเป็นเครื่องวัดว่าเรานี่เป็นผู้มียานมีสัมมาทิฏฐิเพรา ะ, ะนั้นความรู้ในกรร ม, มสกตานั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่ง ทีนี้ในความรู้กรรมสกตาเนี่ยนะความรู้ในเรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยสิ่งที่ไม่ต้องต้องไม่ลืมเลยคือทุกคําพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยนะดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้าดวงที่สองถึงดวงที่หกให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปทุกคําที่เปล่งออกมานะแม่ของมาเนี่ยตั้งกระช่อมมาก็พูดมาอย่างนี้เรื่อยก็ทุกคําทุกคําทุกคําทุกคําทุกคําไปนะดูว่ามันจะให้ผลเป็นยังไงนะถ้าพูดผิดก็ดูอ่ามัน เคยเห็นปลากินเบ็ดไหมมันจะควักตั้งอันนะั่กระเพาะลําไส้ดึงผลักออกมาข้างนอกอันนะมันจะเป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าพูดชอบก็เป็นบุญไปถ้าพูดผิดก็เป็นบาปไปทุกคนรับผิดชอบด้วยตัวเองบุญบาปเป็นเรื่องเฉพาะตัวเนี่ยนะทีนี้ก็มาดูว่ากรรมเหล่านี้ให้ผลนําเกิดได้ไหมได้ไหมอย่างนี้นะเป็นชนะ ก, กรรมได้ไหมนําเกิดควรจะนําเกิดที่ไหน อันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวใช่ไหมถ้าเราไปเกิดในอาบายทุกตีวินิบาตในรกหรือเกิดเป็นมนุษย์เทวดาก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวเหมือนกับเราไปฝากอยู่ในคันปลาหรือในท้องคนก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวไปทีนี้จะอยู่ที่นั่นนานหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งละนั่นชนะ ก, กรรม้าต่อไปกรรมเหล่านั้นไปอุปธรรมได้ไหมอุปธรรมเช่นบุญก็อุปธรรมบุญบาปก็อุปธรรมบาป บาปอุปธรรมบาปให้อยู่ในนรกนานๆเนาีน่ยบุญก็อุปธรรมบุญให้อยู่ในมนุษย์อยู่ในสวรรค์ Deutschen นานๆองีแ้แล้วกรรมเหล่านั้นไปเบียดกันได้ไหมบุญไปเบียดบาปบาปไปเบียดบุญได้ไหมแล้วกรรมเหล่านั้นไปทําลายไหมไปฉุดจากอบายขึ้นสวรรค์หรือไปฉุดจากสวรรค์ลงอบายได้ไหมยอย่างนี้มันก็พวกกรรมเหล่านี้ก็ต้องสัมพันธ์แล้วกรรมเหล่านั้นกรรมไหนหนักที่สุดเรียกว่าคาุกรรมกรรมไหนเบาลงมาเป็นพระหุลกรรมคือคือเบากว่าคาุกรรมอ่ะนะ หรือกรรมที่นึกถึงก่อนตายก็เป็นอาสันกรรมกรรมที่ทำมาดวงที่สองถึงดวงที่หกในวัฏตะอันยืดยาวนานเป็นกะตะตาวาปณะกรรมกรรมเหล่านี้เป็นสมบัติเฉพาะตัวเป็นของของตนจริงๆเป็นสมบัติของตนพันเราก็มาดูว่าเมื่อเราเนี่ยเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผาพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมที่เราทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยคือสิ่งที่จะพาเราไปในวัฏฏะสงสารนั่นแหะคือสิ่งที่เราจะเสวยต่อไปภายหน้าเรารู้ไหมสองชั่วโมงข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราสิบปีข้างหน้ายี่สิบปีหรือชาติหน้าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราทุกคนได้รับผิดชอบตัวเองถ้าหากว่าถึงคนอื่นจะให้ความหวังปานใดก็ตามแต่ทุกคนรับผิดชอบตัวเองจริงๆ พันธะเราจะรับผิดชอบตัวเองเนี่ยเริ่มต้นเราจะรับผิดชอบตัวเองที่ไหนนะเนี่ก็ด้วยคงหากรรมที่มันมั่นคงที่จะทําในบรรดากรรมที่มั่นคงช่วยเหลือเราให้พ้นจากทุกข์ได้อย่างแท้จริงก็คือกรรมในทํากรรมในพระรัตนตรยัยก็คือด้วยการถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสารณะว่าเป็นที่พึ่งนะเนีพันธุจิตกายวาจาใจให้โน้มเอ็งไปโอนไป ไปตามพระรัตนตรัยโดยส่วนเดียวอันนีน้ที่เรียกว่าอะไรนะผู้ทังสารนังข้าฉามีก็ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตน้อมอุทิศกา ย, ยกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งหมดไปตามพระพุทธเจ้าตามพระธรรมและตามพระสงฆ์ถ้าหากว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะเชื่อได้เลยว่าเราไม่มีที่พึ่งที่แน่นอนอย่างแท้จริงหลายเรื่องอาจจะพึ่งได้ชั่วคราวเช่นอาหารหนึ่งมือ้อพึ่งได้ชั่วคราวใช่ไหมพึ่งได้เท่าไหร่อิ่มเดียว ที่นอนก็นอนได้หลับเดียวตื่นเดียวนะหลายๆตื่นนี่ไม่ไหวเลยนะก็ทุกอย่างก็อย่างเสื้อผ้าก็อบอุ่นครั้งเดียวเดี๋ยวก็ต้องไปซักแล้วมาอุ่นใหม่ก็อยู่เท่านี้เพรนะในโลกนี้โดยทั่วๆไปแล้วไม่มีที่พึ่งที่มันมั่นคงแน่นอนอะไรเมื่อที่พึ่งเหล่านี้ไม่มั่นคงเราเอาอะไรหนอเป็นที่พึ่งถ้าเรามาลองคัดสรรดูชีวิตที่เป็นเป็นสาระของชีวิตที่เราเกิดมากัน เราพบสาระอะไรบ้างก็บอกเออเนี่ยพบพระพุทธเจ้าข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอันนะพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเนอก็ตอนนี้ก็มาดูว่าอย่างที่พระองค์ตัดก่อนที่จะดับขันปรินิพานอ น, นุธรรมวินัยใดที่เราแสดงไว้ดีแล้วบรรัญญัติไว้ดีแล้วอันนธรรมและวินัยนั้นจะเป็นาศาสดาแห่งเธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปแห่งเรา จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายลก็เท่ากับบอกว่าพระธรรมแปด0มื่นี่พันพระธรรมขันนั่นแหละจะเป็นพระพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันองติดตามสั่งสอนเธอนั้นถ้าเราระลึกถึงคำสอนอะไรไม่ได้เลยเราก็ชื่อว่าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเลยอันในชีวิตเป็นจริงเนี่ยเรานึกถึงคำสอนอะไรได้บ้างใจครั้งแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปเรามีคาสอนอะไรอยู่ในใจบ้างแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะ ยังไงก็ไม่พ้นหลักห้าอย่างนี้ด้วยกันหลักห้าอย่างคืออะไรอภินญยยธรรมธรรมที่ควรรู้ยิ่งธรรมที่ควรกําหนดรู้ธรรมที่ควรละธรรมที่ควรทําให้แจ้งและธรรมที่ควรเจริญพระองค์เองก็ยังปฏิญาณเลยใช่ไหมว่าที่พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะกาหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้เพราะละสิ่งที่ควรละเพราะทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งเพราะเจริญสิ่งที่ควรเจริญพระองค์จึงเป็นพระพุทธเจ้าแล้วของเราทั้งหลาย เราได้กำหนดรู้อะไรแล้วบ้างนะกำหนดรู้ว่าอย่างไรกำหนดรู้ด้วยทิฏฐิวิสุธทธิไหมเนี่ยนะนะนึกถึงเห็นอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนี่คือขันธ์ธาตุอายตนะไหมอันนั้นี่คือนามรูปไหมเราเราใส่ใจมณสิการแบบนั้นหรือเปล่าหรือรอให้ปัญญามันเกิดขึ้นทากิจเองหรือน้อมไปพิจารณา ผู้ที่มีปัญญาจริงเขาก็น้อมไปตามคําสอนว่าเออเนี่ยคําสอนแสดงไว้อย่างนี้แล้วก็เป็นเช่นนี้จริงๆตอนแรกใจไม่ยอมรับหรอกนะเชื่อเถอะคสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันกลับกับปุตุชนเนี่ยทตรงกันข้ามหมดเลยตรงกันข้ามทุกเรื่องเมื่อตรงกันข้ามทุกเรื่องเนี่ยเราจะโอนไปหาใครล่ะมันก็ต้องใจโอนไปหาคําสอนตอนแรกไม่เอาหรอกเหมือนเด็กเนี่ยนะเหมือนเด็กมันยอมทานยางง่ายๆไม่เด็กๆ เ, เนี่ย ไม่ง่ายแล้วทําไงอ่ะก็ไม่อยากกินก็ยังไม่ต้องกินหรอกลูกเอ้ยลูกไม่อยากกินลูกก็ไม่ต้องกินหรอกยาเนี่ยะเป็นอย่างนั้นไหมว่าใครเลี้ยงลูกแบบนั้นก็ไม่ใช่แม่แล้วศัตรูชัดๆเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้มีอุปการะต่อลูกแต่เป็นศัตรูของลูกนี่ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่พยายามโอนไปตามคําสอนแสดงว่าวิจารณญาณเราวิบัติเนี่ยนะ ก็เป็นผู้ที่แข็งทื่อมีตะปูตรึงใจปักไว้กับใจโดยที่ไม่ยอมโอนไปตามคําสอนก็อย่างที่ว่าลองโอนไปตามคําสอนดูสักชาติหนึ่งเถอะเอาเอาเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะเพราะอะไรนะโบบอกย้ําอีกครั้งหนึ่งบอกเรามีโอกาสนับถือพระพุทธเจ้าพระนามสมณะโคโดมน่าจะแค่ชาตินี้ยังมากชาติหน้าอีกชาติหนึ่งอ่ะที่เหลือศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามสมณะโคโดมจะหมดไปจากโลกอันนี้กล้ายืนยัน ว่าหมดแน่นอนทำไมจึงหมดก็ไปเที่ยวดูเถอะเนี่ยไปให้รอบโลกดูเถอะจะเหลือแต่อาคารเหลือแต่ซากานะเหลือแต่ซากอะไรนะเหมือนกับมหาเลยละเมื่อครั้งก่อนไปที่อนุราธปุระไปเหลือแต่ซากซากที่เคยเรียนพระไตรปิฎกซากที่เคยรจนาคัมภีวิสุทธิมรรจนาอัตตะตาตอนนี้เหลือแต่เสาหินตั้งอยู่โดเดโดเดโดเ ด, ด, เดอยู่นั่นแหละนะ แล้วชาวศรีลังกาก็ดูแล้วแนวโน้มที่จะเจริญขึ้นไม่มีพระพิสุศรีลังกากับพระพิสุไทยเหมือนกันเหมือนกันตรงที่ชาวบ้านไม่ค่อยนับถือเหมือนกันเหมือนกันตรงนี้นะเพราะว่าคนขับรถเขาบอกว่าไปโอ้ยเละเทะหมดเลยก็ตอนนี้ <c oughs> ก็แสดงว่าพอกันมันก็แสดงว่าแนวโน้มเนี่ยหมดแน่เมื่อหมดเนี่ยนะแล้วเราเนี่ยชีวิตของเราเราจะเหลืออีกกี่ปีดีแเรวก็หมดถ้าหมดแล้วเกิดใหม่เกิดที่ไหน เกิดมาพรพระพุทธศาสนาหรือไม่เอาล่ะให้ไปเกิดแถวพุทธคยาด้วยเอาแถวแถวตำบลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เล ย, ยนะนะถ้ามาอีกรอบหนึ่งจะน่าลําบากใจขนาดไหนฟันถามว่าเวลาที่เหลือนี่เราได้อะไรไปจากพระรัตนตรัยบ้างเราได้ทรัพย์สมบัติอะไรจากพระพุทธเจ้าไปบ้างตรงนี้ที่ที่เราจะต้องพยายามสแสวงหามรดกแห่งธรรมเพื่อจะเป็นธรรมทายาทของพระองค์อย่างเนาะอย่างน้อยที่สุดถึงไม่ได้โลกุตระ มักก็ให้มันได้โลกิยมักไปก็ยังดีจะได้ไปต่อข้างหน้าต่อไปง่ายๆหน่อยทีนี้โลกิยมักเนี่ยนะก็คืออะไรก็คือวิสุทธิทั้งหลายศีลวิสุทธิก็เป็นโลกิยมักศีลวิสุทธิก็คือสีลคือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะและสัมมาอาชีวะจิตตวิสุทธิก็คืออย่างน้อยที่สุดตรงๆ ต, ต, ตัวก็คือสัมมาสมาธิแต่จริงๆแล้วเพิ่มสัมมาวายามะและสัมมาสติเข้าไปด้วยนั่นคือ จิตตวิสุทธิส่วนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะนั่นแหละคือทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นไปพะน้ะเราปฏิบัติไม่ได้ตามหลักวิสุทธิเนี่ยนะปฏิบัติไม่ได้ตามหลักสิกขาสามคือศี่และสิกขาจิตตสิกขาและปัญญาสิกขาเราตรงว่าไม่ได้มรดกอะไรไปจากพระพุทธเจ้าเลยไม่ได้รับสมบัติอะไรไปจากพระพุทธเจ้าเลยก็เท่ากับว่าเกิดมาพบบอรัตนะนะ ยังกินเอ่ออะไรนะยังกินเจรัตนังโลเกวิชติวิวิธังพุทธรัตนังนะนะก็คือรัตนะในโลกเนี่ยเสมอด้วยพระพุทธรัตนะไม่มีรอกเสมอด้วยพระธรรมรัตนะไม่มีรอกเสมอด้วยพระพระสังขรัตนะไม่มีรอกแล้วเราได้รัตนะอะไรเหล่านี้ไปบ้างนะเป็นสเสบียงทางที่จะไปข้างหน้าบางช่วงถ้าสงครามจะเกิดนะอะไรที่มีราคาเพิ่มขึ้นนะทองมีราคาเพิ่มขึ้นเลยไหม ทองนี่มีราคาเพิ่มขึ้นเขาถือว่าเป็นรัตนะที่ที่ใช้จ่ายแลกเปลี่ยนซื้อขายได้ในยามนั้นบางทีเงินนี่ยังใช้ไม่ได้เพราะกระดาษทาสีใช่ไหมบางทีมันใช้อาจจะใช้ไม่ได้ตลอดไปแต่ทองนี่มันเป็นแร่ที่ยังใช้ได้อีกยั่ทยืดต่อไปชั้นใดชาติสมบัติบางอย่างก็เหมือนกันมันเป็นสมบัติของบางอย่างก็เป็นสมบัติใช้ได้เฉพาะชาตินี้ไม่ได้ติดตัวไปใช้ในชาติหน้าอะไรเลยเนี่ยนะ สมมติอย่างบางคนเนี่ยสแสวงหาแก้วแหวนเงินงทองกองไว้ท่วมไปหมดเลยถ้าเกิดมาส ม, มมติเราตายจากชาตินี้แล้วชาติหน้ากลับมาละลึกชาติได้เขาจะแบ่งให้สักครึ่งหนึ่งไหมลูกเอ้ยนี่มันของพ่อของแม่ทั้งนั้นน่นเนี่ยฉันหาไว้ในชาติที่แล้วแกต้องให้ฉันครึ่งหนึ่งเขาให้ไหมอา้าก็อละลึกชาติได้มีเนี่ยเล่าให้ฟังได้ทั้งหมดเลยน่าจะให้บ้างทําไมไม่ให้เอาตังค์ไปกินหนมไปหนูนะ <c oughs> ดีดีก็อาจจะเท่านี้นะ พันก็แล้วถามอสมบัติที่เราไปใช้พบต่อต่อไปคืออะไรแล้วแน่ใจเรามีพอใช้จริงก็คิดดูถ้าเราเกิดหนึ่งร้อยปีสมมติว่าชาติหน้ามีอายุร้อยปีเนี่ยต้องกินข้าวกี่มือ้อร้อยปีเนี่ยก็สามหมื่นกวันสามหมื่นกวันคูณสามมื้อเข้าไปเนี่ยนะนอนกี่เตียงอะไรกี่เข ก, ก็ว่ากันไปแล้วเชี่ยชาติหน้าของเรามันมีชาติเดียวเท่านั้นหรืออีกกี่พันล้านชาติละ่ะแล้วเราสะสมอะไรไปบ้าง สะสมศีลกุศลไปดีไหมพอที่จะให้พ้นจากอบายสะสมสัมมาทิฏฐิพอไว้ไหมที่จะไม่นับถือมิจฉาทิฏฐิต่อไปภายภาคหน้าเานะพราะปุตุชนทั้งหลายนิสัยของปุตุชนคือแงนหน้าดูหน้ า, าศาสดาต่างๆแล้วแต่ว่าเขาจะบัญชาอะไรลงม า, า, นะาศาสดาเหล่านั้นเหล่านั้นจะบัญชาอะไรลงมาไม่เหมือนพระอริยะพระอริยะจะไม่แงนดูหน้าผู้อื่นนอกจากพระพุทธเจ้า เ, นะเขาถือว่าเป็นผู้ที่มั่นคงในพระพุทธเจ้าทุกภพทุกชาติแต่ที่แน่ๆไม่เกินเจ็ดชาติใชพระโสดาบันไปแล้วเนะี่ยไม่แงนหน้าดูคนอื่นดูพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแต่ก็ไม่เกินเจ็ดชาติชาติที่เจ็ดท่านต้องเป็นพระอรหันต์แน่นอนอย่างในรัตนะสูตรที่เราเคยสวยดกันนั้นทําทํำยังไงนะเราจึงจะได้ได้รับสมบัติของพระพุทธเจ้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ตรงนี้ที่เราจะต้องมาสมานว่าขอให้ใจของเราเนี่ยโอนไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทรานท่างมาชอบที่มิลินทปัญหาพูดไว้ชัดเจนอยู่ข้อหนึ่งเขาบอกว่าพิสูจน์นี้พึงทําเหมือนองค์อันหนึ่งองค์หนึ่งของไม้ไผ่ไม้ไผ่คือโอนไปตามลมฉั้นใดภิกษุก็พึงโอนไปตามคําสอนฉันนั้นท่า น, นทำยังไงที่เราจะโอนไปตามคําสอน คำสอนท่านชี้นกก็ให้เราไปว่านกตามเออท่านชี้ไม้เราก็ว่าไม้ตามนี่แหละแต่ถ้าคนอื่นชี้อย่างนี้ทำไมเราเชื่อไปหมดใช่ไหมทำไมเราเชื่อพระพุทธเจ้าบ้างไม่ได้ซึ่งจริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าใครถ้าใครพบว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนผิดนะคนนั้นเก่งมากถ้ารู้จริงนะว่าเอาเอาคาสอนนี่สอนผิดแต่จริงๆเนี่ยคำสอนสอนไม่ผิดหรอกแต่ว่าเราเข้าใจผิดในคําสอนเองนะจริงๆคําสอนไม่ผิดแต่เราเข้าใจผิดใน คำสอนเพราะฉะนั้นเราจะต้องโอนตามคำสอนเอนไปตามคำสอนอนุวัตตามคำสอนแรกๆเนี่ยนะความเห็นของเรากับของพระพุทธเจ้าคนละทางในบรรดามรรคทั้งหลายเนี่ยเราเคยได้ยินนะทางเนี่ยนะทางเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งทางแข่งทางเท้าทางรถทางเรือทางเกวียนเนี่ยนะเรียกว่าทางในโลกนี้อันนี้คือมรรคอย่างที่หนึ่งนะมรรคแบบรู้ๆกันอนะหนทางแบบที่รู้กันทางอย่างที่สองคือทางไปนรกทางอย่างที่สาม ทางปเดรชานทางที่สี่ไปเปรตทางที่ห้าเป็นมนุษย์ทางที่หกก็คือทางไปเทวดาหรือพรหมทางสุดท้ายคือทางแห่งพระนิพพานพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ดําเนินทางไปสู่พระนิพพานของเราทั้งหลายดําเนินตามทางเท้าทางรถทางเรือเป็นต้นไม่แน่เดินทางนั้นไปไหนไปนรกก็มีไปเปรตก็มีไปเดรฉานก็มีไปเป็นมนุษย์ก็มีน้อยเต็มทีที่ไปเป็นเทวดา อันนี้พระสูตรหลายสูตรเนี่กล่าวไว้อย่างนั้นเพราะันแล้วถ้าหากว่าทางไปสวรรค์อย่างน้อยจะกล่าวไปยหญถึงทางไปสู่พระนิพพานแล้วอันนั้นทางอันประกอบไปด้วยองค์แปดเนี่ยจึงน้อยนะักถึงน้อยอย่างนี้เนี่ยถามว่าเราควรตั้งจิตเอาไว้อย่างไรยังไงก็ต้องย้อนกลับมาหาธรรมังสารนังคัจฉามิขอเกาะ อ, อย่างเดียวนะถ้าไม่เกาะพระรัตนตรายไม่เกาะพระรัตนตรายเอาไว้แล้วเราจะไปไหน นนะเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ประทุสร้ายตัวเองพระรัตนตรัยมีอยู่ในโลกเมื่อเราไม่นับถือพระรัตนตรัยนี้ถือว่าเป็นความผิดของใครของพระรัตนตรัยไหมพระพุทธเจ้านี้ผิดพระธรรมคําสอนก็ผิดพระสงฆ์ที่เป็นพระอริยะก็ผิดอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่เราเองนั่นแหละผิดที่ไม่ได้นับถือพระรัตนตรยัยทนี่พอเรามาศึกษาอย่างนี้แล้วเราจะนับถือพระรัตนตรัยได้อย่างไร แล้วก็มาไล่ดูสมบัติของเราว่าเราเจริญวิสุทธิตามพระัตนมตรายสอนไหมเพราะว่าการที่จะรอบรู้อริยสัจสี่ประการคือทุกขทุริะสสมุทัยอริยสัจทุกขะนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจทุกขอริยสัจนี้ก็ต้องปริญญาใช่ไหยญาตะปริญญาตีรณะปริญญาและปะหานะปริญญาซึ่งนั่นหมายถึงทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณะวิสุทธิเป็น ญาตะปริญญามคามคคาย า, านัศนวิสุทธิเป็นตีรณะปริญญาปฏิปทาญ า, านทัศนวิสุทธิเป็นปหานะปริญญาทีนี้ก่อนที่ ท, ท, ทิิวิสุทธิจะเกิดมันก็ต้องมีสีละวิสุทธิมีจิตตวิสุทธิที่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เป็นกุศลก็ต้องเป็น